ีเพื่อนคนหนึ่งกำลังจะหาซื้อ iPad mini นะอยากได้ก็เตรเียมตัวจะซื้อแล้วล่ะนะเมื่อวานนี้ลูกสาวอายุส2สองชื่อแพรวก็โทรหาแม่ที่ทำงานบอกว่าเนี่ยเพิ่งได้บอกพี่ใหม่เนี่ยี่ใหม่คือพี่สาวของแพร่นี่นะบอกว่าแม่ส่งไลน์มาบอกว่าแม่อยากได้ iPad mini ใช่ไหมแม่ก็บอกว่าใช่จังนะเพราะว่าใช้แล้วมันสะดวกดีลูกสาวก็เลยพูดว่าแม่ก็มี n น t ตบ o ๊มี Note b o o k แล้วก็ยังมี PC ซทั้งที่บ้านและที่ทำงานไม่ใช่เหรอแม่ก็ตอบว่าใช่ลูกสาวก็เลยบอกว่าทำไมแม่ไม่หักห้ามใจมั่งเวลามีความอยากทำไมปล่อยให้ความอยากคอบงำใจนะ